พระธรรมเทศนาแผ่นที่91าดลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่20กรกฎาคม2559มน้ีชื่อเรื่องว่าเข้าพรรษาสแสวงหาบุญวันนี้เป็นวันที่ย0สิบ กรกฎาคมพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันแรม1คำ่ำเป็นวันอธิษฐานพรรษาของพระสงฆ์แลวันนี้ถ้าหากว่าพระสงฆ์ที่จะอยู่ในวัดของเราจะจำพรรษากี่องค์กี่รูปวันนี้หละตอนบ่ายประมาณบ่าย5โมงเย็นก็จะมีการอธิษฐานพรรษาตัาง้งจิตอธิษฐานเข้าพรรษา จะมีพระน้อยเท่าไรพระมากเท่าไรแล้วก็วันพรุ่งนี้แหละจึงจะประกาศชัดเจนได้ว่าพระที่จําพรรษาในวัดของเรามีจำนวนเท่าไหร่ในครั้งพุทธกาลทำไมพระจึงจำพรรษาลูกหลานคณะจัตตาญาติโยมผู้ที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนาที่ไม่ได้อ่านในตำรับตำราเอาทำไมพระจึงจึงอยู่ในกรอบ ยู่นในกรอบในการจําพัรษาคือความเป็นมาในครั้งพุทธกาลคือในครั้งพระพุทธทเจ้าเมื่อพระองค์เมื่อพระองค์งได้ตัดสรุปพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นพระองค์ได้ประกาศพระศาสนาไปในทิศทั้งสี่ทั้งกษัตริ์ทั้งพราหมณ์กหาบดีเศรษฐีพ่อค้าชาวนาทุกหมู่เหล่า เขารบนับถือเรื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็ออกบวชมากมายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ลหลายหลายแสนท่นนี้พอบวชเข้ามาแล้วก็ผู้เดสสำเร็จเป็นพระอริยะบุคคลพระหันพระอนาคามีสักขาคามีพระโสดาจากนั้นก็เป็นปุตุชนพระที่เข้ามาบวชมีหลายระดับ แต่ผู้ที่ท่านบวชเข้ามาแล้วท่านก็ปรีกวิเวกท่นีพอมันอยู่บวชเข้ามาอยู่เป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะมากเกินไปก็ปรีกไปปรีกวิเวกทีละห้าร้อยบ้างทีละพันบ้างทีละร้อยบ้างสามสี่ห้าสิบองค์บ้างปรีกวิเวกตอนี้ในพอนการปลีกวิเวกเนี่ยไปหาเที่ยว ขึ้นภูผาปา่าไม้บังไปอยู่ที่ไหนในที่สงบสงัดศรัทธาญาติโยมนิมโลกับอยู่แล้วกภาวนาของท่านอพอได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วก็อาจารย์กับพิพู้พานนำไปกับไปฝึกขัดตั้งอกตั้งใจภาวนาอยู่ในป่าดงผงไัยเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณ ะ, ะจากนั้นมีความค้่องใจสงสยัย ในธรรมในธรรมที่ได้ศึกษาไปนั้นกลับมาถามทูลถามพระพุท ธ, ธเจ้าอีกพระพุท ธ, ธเจ้าก็แนะนำบอกกล่าวแสดงธรรมให้ฟังแล้วก็ได้นำไปประพฤติธปฏธิบัติอีกก็ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลเป็นส่วนมากแต่นนี้พระสงฆ์ก็บวชมามากๆหลายๆอย่างที่ว่านั่นท่านก็เที่ยวทั้งแรงท้งฝนปีกไปวิเวกในป่ารงพงไพ แต่ี้พอตกหน้าฝน เ, าเดือนพฤษภามิถุนาอย่างเดี๋ยวนี้แหละาชาวไร่ชาวนาเสารั้วชาวสวนเขาก็มีเกษตรกรรมเหมือนกันกับพวกเรานี่แหละจากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายปไปวิเวกนะบางทีไปเหยียบคันนาของเขาฮ เ, เขาปั้นเป็นคันนาที่ต้นข้าวของเขาพระเป็นพันนะเดินย่าย่าย่าไปเป็นแถวยาวเหยียดนะ คันนาเขาแล้วก็แตกเลี้ยวไปหมดเลยพอเขาไปผ่านในไร่แตงกวาแหล่งไล่ฟักทองของเขาก็เดินไปพระในเมืองะไม่รู้จักวิธีการเดินฮก็เดินเข้าไปผ่านเข้าไปในไร่ในสวนของเขาเหยียบพืชไร่ของเขาแหลกเลี้ยวไปหมดอีกเหมือนกันทีนี้ชาวบ้านของเขาก็ขัดเคืองฮะ เออทาไมสมณะสากยาบุตรไปทั้งแรงไปเที่ยวทั้งแรงทั้งฝนเล่ล่อนไปหมดทําไมไม่อยู่เป็นที่เป็นทางขนาดนกออสัตว์ทั้งหลายหน้าฝนเขาก็ยังมีโพรงไม้แล้ว่ามีลวงรังที่อยู่อาศัยสมณะสากยาบุตรนี่ทําไมไปเล่ล่อนถึงขนาดนี้ทําให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อน ฟักชพืชของเขาเสียหายอันนี้เขาชาวบ้านเขาก็โพล่ธนาให้ข้าวติเตียนพระสงฆ์ทั้งหลายที่เป็นพระผู้ใหญ่ที่ได้ยินนะก็เออทาไมมันก็จริงอย่างที่เขาพูดจากนั้นมากราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกประชุมสงฆ์เรียกพระสงฆ์มาพร้อมกันจากนั้นพระองค์ก็บัญญัติวินัยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภิกษุใดก็ตามเที่ยวไม่จําพรรษ า, เ, าเที่ยวเลไปที่อื่นไม่จําพรรษาปรับอบัตทุกฏนะคือจำพรรษาเนะี่ยคือตั้งแต่เดือน8เพลในอย่างวันนี้แหละให้จําพรรษาสมเดือนอแต่ว่าตามให้จริงฤดูฝนมันมีอยู่สเดือนนะแต่พระพุทธเจ้าให้จำพรรษาสามเดือนอีกเดือนสุดท้ายนะให้เป็นเดือนสแสวงหาผ้า ผ้าจีบอลผ้าลราจีบอลเพราะสมัยนั้นหาผ้ายากเพื่อจะได้พระหาผ้าเย็บเพื่อทําเป็นจีบอลเพราะฉนั้นแค่จําพรรษาเพียงสมเดือนเนี่ยจำพรรษาเดือน8เพนลนครับออกพรรษาเดือน11เอ็ดเพลนนะวันออกพรรษาคือเดือน11เอ็ดเพลนสเดือนตั้งเดือน8แล้วเกิดถึงเดือน11 น, ะนี่แหละแต่ที้เมื่อประกาศอย่างนั้นแล้วพระสงฆ์ก็ต้องจําพรรษา ไม่ให้ขยับขยื่นอนะแต่บางองค์ก็เดือดร้อนขึ้นมากระกาบพูลพระพุทธเจ้าว่าถ้าไม่ให้พระสงฆ์ขยับไปเฉลยก่อนดูดูแล้วก็มีส่วนเสียหายพระองค์กับผ่อนปลนลงมาอีกว่าถ้ามีความจำเป็นให้สัตหะกรณิยะสั ต, ตาหะไปได้เจ็ดวันสมมติว่าหลังคากุติที่มันรั่วจะต้องไปแสวงหา เครื่องมุงไปหาไม้มาไปหาที่หญ้าเกี่ยวหญ้ามามงรางคากระพระให้พระแสวงไปแสวงหาได้เจวันหรือกิจนิมนต์ศรัทธาญาติโยมเขาในมนต์มีความจําเป็นเอาไปได้เจดวันหรือพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยไปได้เจวันหรือคณะศรัทธาญาติโยมที่รู้จักมักคุ้นิมนต์สมควรที่จะไปไปได้เจดวัน หลายลายอย่างครูบาจารย์เก็บไข้ได้ป่วยไปได้หรือพระทะเลาะกันก็ไปห้ามปลามไปได้เจ็ดวันในสัตหกรณิยะแต่แต่ว่าให้ไ ป, ไปเจ็ดวันพอไปแล้วันที่เจ็ดให้มาถึงวัดไม่ให้เกินถ้าเกินไปพันสาขาดปรับอบัิทุกกฎนี่แหละอันนี้ก็คือพระวินัยของพระพุทธเจ้าที่ท่านทรงบัญญัติไว้แต่เป็นที่แปลกอยู่อย่างหนึ่ง เพราะสมัยนั้นคงไม่มีไม่มีโรงพยาบาลเพราะหลวงพ่อเป็นสมเด็อยู่ที่ภูจกก้อนนะท่านหลวงปู่ล่ากับพระครูบายอาจารย์ท่านก็ถกเถียงกันเอ๊ะดูในพระวินยนะัยเนี่ยสัตตหะไปหาหมอเนี่ยไม่มีว่ะพระป่วยเนี่ยพระป่วยไปหาหมอสัตตหะก็อนุญาไปหาหมอเพื่อรักษาสุขภาพไม่มีในพระวินยัยผมพากันคน้นค้นดูอีก เออจนออกเม า, าไม่มีในพระวินัยพั้นสมัยก่อนคงไม่มีไม่มีโรงพยาบาลนะเพราะนั้นท่านจึงไม่ไม่อนุญาตให้ให้ภิกษุไปพักผ่อนนอนโรงพยาบาลไปที่อื่นเพื่อรักษาสุขภาพรักษาตัวนะไม่มีนี่แหละ ว, วินัยก็เหมือนกับกฎหมายนะนะคณะทาญาิโยมต้องมามามาพูดมาตีแผ่กันเหมือนกันจากนั้น ก็ได้ลงลงความเห็นกันว่าเอาเถอะถ้าองค์ใดป่วยถ้าพิคุสุหรือกูบาอาจารย์องค์ไหนป่วยต้องเอาโยมโยมวัดหรือหมอเอพื่อรู้จักมักคุ้นเนี่ยแนหะที่เห็นว่าอาการท่านป่วยก็ขอกราบและราตนานิมนขอในมนท่านอาจารย์ไปหาหมอโดยเทินเจเนพระก็รับในมนรับในมนจากโยมผู้นิมน ก็เป็นการเลี้ย ง, ยงวินัยไม่ปรับอาบัตทกกฎแต่ที่ยังไงก็ต้องกลับมาเจ็ดวันเพื่อรักษาวินัยในจุดนั้นแต่ว่าการขอเรื่องศรัทธากรณียะนี่ก็อาศัยศรัทธาญาติโยมนิมนต์หรือหมอนิมนต์ไปรักษาสุขภาพแต่ถ้าจะไปตามลำพังศัตทหาไปเลยไม่ได้นี่แหละ อั น, นก็ให้พระลูกหลานพระเนนลูกหลานให้ได้รับรู้รับทรา บ, บเอาไว้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเราจะสัสสสตหะไปเลยไม่มีนะให้ค ด, ดูอันนี้ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าสมัยล้นหลวงปู่ล่าเนี่ยท่านได้ดูได้ค้นดูแล้วนะหลวงพ่อจึงเอามาพูดมากล่าวให้คณะทถาญาติโยมพระเนนลูกหลานได้ศึกษานี่แหละคือพระจำพรรษ า, าแล้วก็ในพรรษาที่นี่ย เมื่อจำพรรษาแล้วเนี่ยไม่ได้ไปไหนศรัทธาญาติโยมก็เป็นผึกแผ่นขึ้นมาเออพระจำพรรษาอยู่บ้านของเราเราควรจะทำบุญอย่างที่ในพรรษานี่ทำบุญข้าวประดับดินบ้างฉลากกพัดบ้างแต่ทางภาคเหนือวก็บอยหลวงบ้างทางภาคใต้ก็เทกระจาดบ้างลักษณะอย่างนั้นแหละคล้ายๆว่าพระที่จำพรรษาใน หมู่บ้านของเรากลุ่มของเราพวกเราก็ควรจะทาบุญกับพระสงฆ์ที่อยู่เป็นพึกแผ่นในพรรษาแต่สําหรับพระสงฆ์เองในครั้งพุทธกาลท่านพออยู่จำพรรษาไม่ได้ไปที่ไหนท่านไม่ได้ไปภาวนาเอาเถอะเราจะภาวนาอยู่ในสถานที่ท่านก็ตั้งใจอกตั้งใจภาวนาของท่านเล่งความเพียรไม่ได้คิดไปทางอื่นเพราะ ต่อก อ, ออกพรรษาแล้วไปเที่ยวที่อื่นไปเที่ยววิเวกปรีกวิเวกไปในสถานที่ต่างๆแต่ในพรรษาเนีเราไม่ได้ไปไหนเพราะจำพรรษานะอย่างพระจักคุบาลที่ท่านบวชเป็นเศรษฐีเป็นสองพี่น้องอพอบวชเข้ามาแล้วก่อนพระจักคูบาลก่อนบวชเข้ามาแล้วท่านก็ไปหาพอนานในป่ามีหมู่พเพื่อน30องค์ ไปอยู่เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่ว่าไปอยู่แล้วก็ที่สงบสงัดน้ําสะอาดบินถาบาทพอฉันศรัทธาญาติโยมก็มีศรัทธาท่านก็ไปจำพรรษาศรัทธาญาติโยมก่อนิมนต์เนี่ยขอให้ท่านจำพรรษาที่นั่นท่านก็รับพอรับเสร็จแล้วท่านก็ประกาศในหูเพื่อน30มสองค์เนาะเอาเนะหมู่พวกเพื่อนทุกองที่ท่านเป็นหัวหน้าเนียประจักษ์ครูบาลเป็นหัวหน้า เรานอนอยู่ในโลกนอนจิตนอนใจนอนอยู่ในโลกนี่ในวัฏสงสารเนี่ม่ลูกกี่ร้อยกี่พันนี่กี่แสนชาติมาแล้วเรานอนติดในการกินการนอนเอาเถอะนะในพรรษานี่ผมเองผมจะเอาเนชชิคือไม่นอนตลอดไรมาสสามเดือนจะเอาจะเอาอริยบทสาเยินเดินนั่งเท่านั้น จะไม่ยอมเอ็นกายโดยเด็ดขาดในพรรษาผมจะเล่งความเพียรผมจะภาวนาอันนี้พระจักกูบาลท่านประกาศเอาองค์อื่นสุดแท้แต่นะแต่สําหรับผมหรือผมจะไม่นอนในพรรษานี้จากนั้นทัางหมดภาวนาของท่านเลยท่านโอ้ขนาดพอสัปเดือนที่สองที่สามตอนนั้นอ่ะเดือนที่สามปวดตาขึ้นมาอย่างแรงเลยทออผลในสุดหมอเขา ถวายยาเน่ยพราใส่ยาหยอดอพอยาหยอดเข้ามาเขาก็ถวายยาเพราะถวายยาท่านก็ไม่ใส่ไผรเถ้าเขาก็ถามพระคุณท่านเป็นไงหยอดยาหรือยังเอเอบอกว่าหยอดอยู่เออหยอดอยู่ถ้าหยอดก็คือนั่งหยอดนะเขาต้องให้นอนหยอดแต่มันปิดผิดคําที่ว่าท่านอธิษฐานว่าจะไม่นอเองกายโดยเด็ดขาดเนะ ท่านนั่งยอดมันก็เข้าบ้างผูกบ้างผิดบ้างลักษณะนั้นไม่เต็มที่นะ อ, อผพอในสุขว่าเออให้ท่านนอนหยอดนะถ้านอนหยอดนะี่ยยอดไม่เกินสามครั้งหรอกที่ท่านเป็นหายยาของผมสะนังงดมากราคาแพงมากที่ผมทําเลยนะให้ท่านให้ท่านนอนหยอดนะเดี๋ยวจะหายแต่นีนท่านพระจกุบาลท่านก็รับจากเขามาเออพ อ, อ, อจากนั้นมา มากับได้ยามาได้สีนะท่านก็ถามตนเองถามตนเองนะท่านว่าจักคูบาลท่านพราะท่านชื่อพระจักคูบาลใช่ไหมจักควาลน่ยเธอจะรักตาหรือรักคําสัตว์ที่ตนเองได้ตั้งเอาไว้แล้วเธอรักตาของเธอหรือรักคําสัตว์ถ้าเธอรักคําสัตว์คือรักมรรคผลนิพพานถ้าหาว่ารักตาเนี่ยเอ เพื่อจะรักษาตาตัวเองให้หายเนี่ยคือรักอยู่ในวัตฏะสงสารจะต้องเวียนไหวตายเกิดในวัตฏะสงสารเป็นอนันตการถ้ารักสัจจะคือความจริงจังและจริงใจเพื่อทางหวังวางพ้นทุกเนี่ย น, ะนั่นแหละทั้งสองอย่างเนี่ยเธอจะรักอันไหนมากกว่ากันเอาตัดสินใจนะจักรคูบาลท่านถามตัวเองใช่ไหมจากนั้นท่านก็ว่ารักสัจจะ รักมักผลนิพพานมากกว่าชีวิตตามันจะบอดให้มันบอดไปแต่ข้าพเจ้าจะไม่ยอมนอนโดยเด็ดขาดพอว่าเท่านั้นก็ตัดสินใจทีนี้ก็เขาก็ถามว่าพระคุนท่านยาหยอดได้อย่างทีแรกนะเดี๋ยวอาตมาจะไปปรึกษาไปปรึกษาเพื่อนซะก่อนคือเพื่อนในใจนะ พอกลับมาแล้วก็บอกว่าอัต ม, มาปรึกษาแล้วบอกว่าไม่หยอดไม่นอนหยอดโอ้ถ้าหากว่าท่านไม่นอนหยอดยาผมผมก็คงจะให้ท่านไม่ได้เพราะยาของผมราคาแพงมากผมจะต้องผมจะงดนะท่านนะเออตามสบายนาโยมนะไม่ไม่งดงดก็ไม่เป็นไรแต่นั้นท่านก็พอกลับมาท่านก็ถามตัวเองนะจักรุบาล เขายศงดในการรักษาแล้วนะรักษาตาแล้วนะ เ, ออเธอจะหวั่นไหวไหม เ, เธอจะรักวัฏตาหรือรักรักมรรคผลนิพพานมากกว่ากันบอกท่านกบวรรักมรรคผลนิพพานมากกว่าไม่ต้องรักที่จะมาเกิดแก่เจ็บตายอีกเออเอาแต่เั้น เ, เธอต้องเดินหน้าอย่างลูกเดี่ยวไม่ต้องรักษามันเรื่องตาจากนั้นท่านกบภาวณนาในพรรษานั้น พอจากนั้นพอออกพอออกพรรษานะวันออกพรรษ า, ว, าวันเดือน11เอ็ดเพนวันเดือน11เอ็ดพกิเลศท่านก็หมดพอดีกระเด็นออกจากใจของท่านตัดกิเลสได้เป็นพระรหันต์ตาของท่านก็แตกพอดีวันในวันนั้นอีกเหมือนกันกิเลสก็แตกตาก็แตกพร้อมกันาจากนั้นท่านก็เลยตาบอดเลยตอนเช้ามาพระเข้าเข้าไปท่านก็มองไม่เห็น แต่เนี่พระเข้าไปเอ้าท่านอาจารย์เปงโอ้ยตาคมผมบอดแล้วผมไปไม่ได้แล้วโอ้่เนเอาไม่เป็นไรแท่านอาจารย์เดี๋ยวผมจะดูแลผลนิบัติจัตถายาจโสมได้ยินดัดดูเอ้าไม่เป็นไรพระคุณท่านผมจะดูแลผลนิบัตใิให้พระคุณท่านอยู่ที่นี่ล่ะเออพอเสร็จแล้วพระเหล่านั้นก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลกันทั่วหน้าแะ่นั่นกับพวกพระ ท, ท่านอาจารย์ จะไปกับพวกผมไหมพวกผมจะพากับกรุงสาวัตถีไปกราบพระพุทธเจ้าพระจักกุบาลเอาเถอะถ้าผมไปจะเป็นภาระสําหรับหมู่พวกเพื่อนให้พวกเพื่อนไปก่อนเถอะนะไปกราบพระพุทธเจ้าซะแล้วก็ให้ไปบอกน้องชายของผมให้ส่งคนมารับผมก็แล้วกันนะท่านจิตใจแ ก, แก่งขนาดนั้นนะพระจักกุบาลจากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายก็ กาบลาท่านศรัทธาญาโจมทั้งอยู่ทั้งนั้นก็บอกไม่เป็นห่วงไม่ต้องห่วงแต่ศรัทธาญาโจมพร้อมที่จะดูแลให้ดีที่สดุดนพราะคุณท่านที่ไปแล้วก็ไม่ต้องห่วงพวกผมจะดูแลแล้วก็ไม่ต้องท่านพระจักกุบานไม่ต้องไปที่ไหนเราอยู่กับพวกผมนี่แหละจากนั้นก็พระสงฆ์ก็ไปกลาบพระพุทธเจ้าพ่อกาบพุทธเล้าไปกลบับไปบอกน้องชายน้องชายพระจักกุบาล พอน้องชายได้ยินฮะโอ้โหร้องหมร้องไห้ถ้าลมาปรึกษาว่าจะเอายังไงก็เลยส่งหลานชายมารับทยลูกน้องชายแต่พระสงฆ์ก็บอกเออถ้าหาว่าไปเป็นเด็กไปเนี่ยมันอาจจะไม่ปลอดภัยอาจจะมีโจรผู้ร้ายดักป่นดักฆ่าก็ได้ให้เป็นสมณะให้เป็นเป็นสมมเนธซะพระสงฆ์ก็เลยบวช ปวดหลานของท่านให้เป็นสมมาเนนไปรับประจักษ์คูบาลในป่าเน่เขาก็บอกเขียนแผนที่ให้เรียบร้อยนย่จากนั้นประจักษ์กุบาลจึงได้กลับมาวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารแต่ท่านก็ไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงตาของท่านท่านได้สำเร็จเป็นพระหันแล้วนี่แหละอันนี้พวกเราท่านทั้งหลายฟังฟั ง, ฟงดูสิว่าพระในครั้งพุทธกาลในพรรษานี่ท่านเอายังไง อย่างนั้นหลวงพ่อจึงบอกว่าพระลูกพระหลานทั้งหลายศรัทธาญาติโยมทุกคนในพรรษานควรจะรักษาสินห้าวันเฉพาะวันพระได้ไหมหรือรักษาศีนองโบสถเฉพาะวันพระได้ไหมหรือรักษาศินห้าตลอดได้ไหมหรืออย่างไงหรือไหว้พระทุกวันได้ไหมอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีพระจักกุบาลท่าน ได้ตั้งคิดอธิษฐานว่าไม่นอนตลอดไตรามาสสามเดือนโอ้หนักหนักหนาพอสมควรนะสัจยาของท่านนะแต่ท่านก็มั่นมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงเวลาเขาให้ยามาท่านยังปรึกษาถามตนเองอีกต่างหากถามใจของตนเองนะไม่ใช่ถามที่อื่นนะถามคนอื่นคนอื่ น, น, อนโอ้ต้องนอนยศนะปุกลท่านคูบาอาจารย์ได้กัจะว่าอย่างนั้นแต่ท่านถามตัวของท่านเองเ เอาอะไรเอาอย่างไง เ, เธอจะครูบาลถามถามถามตัวเองเหมือนกันแนี่แหละท่านจะเป็นผู้เด็ดเดี่ยวจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่แหละอันนี้พวกเราพระเนนลูกหลานก็เหมือนกันนะในเดือนวันพระหนึ่งเราจะเอาเนชชิได้ไหมไม่นอนไม่นอนในกลางคืนแต่จะไปคุยกันนะ ไม่ใช่ว่านอนไป่หลับไปหานั่งคุยกันทั้งพีทั้งวันไม่ได้นะยิ่งขาดทุนผลปีไปอีกเนะี่ถ้าเราไม่นอนเราก็ต้องเดินอยู่ข้มนั่งภาวนาเดินอยู่ข้มนั่งยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งอตลอดคืนนะ่ะนี่แหละถ้าว่าเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอย่างนั้นนี่แหละมรรคผลนิพพานความสงบนัตถิสันติปรังสุขขังนะ ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีจะเกิดขึ้นกับพระลกูกพระหลานศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกันมานอนวัดแต่และแต่และคืนหรแต่และ ว, วันในวันพระมาอือเอาไปภาวนาต่างคนต่างเดินโยกรมไม่ต้องคุยกันนะตั้งปิดวาจาและปิดปากไว้นี่เราคุยกันมาโห น, นานแล้วละ่ะแต่วันที้เราปิดปากเราไม่คุยกันเราจะภาวนาเท่านั้น ไม่ถนงั่งตั้งอกตั้งใจภาวนาอยู่ในกุฏิที่พักฝ่ายอุบาสิกาฝ่ายโยมผู้หญิงก็เหมือนกันเราคุยกันมาพูดกันมานานนั่นแหละเผอเผื่อจะทะเลาะกันอีกต่างหากเพราะนั้นมาอยู่วัดเนี่ยเอาเถอะเป็นที่รู้กันว่าเราจะไม่พูดกันนะต่างคนต่างภาวนานะพอพ้นวันไปนี่ย่าค่อยพูดกันเอาจะพูดกันนั่งคุยกัน ตลอดทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนก็ยังได้แต่วันนี้งดไว้จากก่อนนะไม่ต้องคุยกันนี่แหละถ้าว่าพวกเรามีความตั้งใจมีความพยายามบำเพ็ญกุศลทางทางด้านจิตใจอย่างนี้นะหลวงพ่อมั่นใจว่าพวกเราจะได้รับความสงบทางด้าน จ, จิตใจนัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพวกเราจะได้สัมผัสในเรื่องจิตภาวนา นี่แหละอันนี้คือเป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วก็พร้อมกันพวกคณะทายาทโจม ท, ทุกท่านที่ เ, เป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทของพระพุทธจเจ้าพวกเราควรจะทำบุญทาทานอย่างเมื่อวานหลวงพ่อก็ได้พูดนะ เ, เราตักบาตรทุกวันได้ไหมหรือว่าเราตักบาตรทุกวันเสาร์วอาทิตย์ได้ไหม อ, อย่างนี้ แต่บางคนโอ้เรามีธุระมากบางทีหาพระก่อมบางทีเราจะใส่บาทเขาหาพระจะเดินผ่านก็ยากเออเอาเถอะหลวงพ่อบอกวา่าถ้าว่าเราอยากจะทําบุญเออจะตักบาทพระเรานับถือเราหยุดเมืองอุดรจะนับถือวัดไหนครูบาอาจารย์องค์ไหนเออในประเทศไทยเราก็เนี่ยตั้งกระปุกขึ้นมา อ, นนรรอันนี้วัดบวรอันนี้วัด นั่นวัดนี้วัดโพธิสมพรวัดป่านตาศวัดธรรมกองเพลนกว่ากันไปแต่ละวัดเวันนี้เราจะทําบุญวัดไหนเราก็หยอดกระปุกลงไปวันนี้เราจะเอานมนมกี่กล่องวันนี้เอาเขากล้วยหอมกี่ใบวันนี้เอาเราจะทําบุญขนมเค้กกี่ก้อนขนมเปียกกี่ก้อนเป็นเงินเท่าไหร่ เราก็หยอดลงไปในนั้นนะแต่ละวัดอาทิตย์หนึ่งเราหยดครั้งหนึ่ง เ, เรือว่าเอาเถอะเราจะบำรุงพระพุทธศาสนา เ, เราจะทาบุญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาบำรุงเพราะเราเป็นพุทธบริษัท เ, เราไม่ได้จิตไม่ได้ใส่ใจเรื่องพุทธศาสนาจสาเลยก็ไม่น่าจะถูกเอาเถอะข้าไปเจ้าจะดบำรุงพระพุทธศาสนา เ, เราจะทาบุญทุกวันอาทิตย์ จากนั้นก็เร า, เาวันละร้0ยบาทเอาหย่อนลงไปทุกอาทิตย์าจากนั้นพอเขามีงานบวชเราก็เปิดขึ้นมาเอาไปทำบุญอ้าวพันบาทางานขึ้นบ้านใหม่เขาทำบุญเองเอาคือทำบุญสาธารณะประโยชน์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้วก็เปิดเอาตู้นั่นะไปทำบุญอันนี้ไปว่าเราทำบุญ ในพระพุทธศาสนาเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาอันนี้ก็ล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับพวกเราไม่ใช่ว่าเราหาเงินคําทรัพย์สมบัติมาได้เงินได้แหละมิแต่อยู่กิน เ, เฉยๆไม่ได้ทําบุญทําทานก็ไม่น่าจะถูกนะคนโบราณเขาว่าหาเะแสวงหาทรัพมาไล่ตจงแบ่งกินแบ่งทานเนอะจึงจะเจริญรุ่งเรืองอถ้าถึงจะเลี้ยงแต่ร่างกายของเราไม่ได้ทําบุญทําทาน ถึงพวกเราจะเลี้ยงกันดีขนาดไห น, นก็นเลี้ยงไปเถอเลี้ยงร่างกายน่ะออพอเลี้ยงไปห้าหกปีก็เห็นผมขาวเห็นฟันหลุดเห็นหนังเหี่ยวตาฝ้า ฟ, า, ฟางหูตึงผลที่สุดก็นั้นไปนอนอยูใ่ในห้องนอนนั่นเตียงดีขนาดไหนก็เถอะผลที่สุดก็เห็นแก่เห็นความแก่ของตนเองผลที่สุดก็เห็นความตายของตนเองอีกเพราะนั้นเลี้ยงร่างกายถึงจะเลี้ยงดีขนาดไห น, น พอถึงจุดจบนักนัศรัทธาญาติโยมอันนี้ไม่ได้โคตรไม่ได้ครูนะแต่ว่าเป็นเป็นการชี้แนวทางชี้นำให้พวกเราได้ศึกษาเท่านั้นเองแต่พวกเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อยังไงอันนั้นเป็นสิทธิ์ของพวกเราที่เป็นผู้ฟังเป็นผู้กันกลองไตรตรองเหตุและผลท้าว่าเป็นความจริงเ อ, อ่ใช่เลี้ยงร่างกายถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็ต้อซื้ออาหาร ถูกโภชนาการแต่ละคำํำดีขนาดไหนก็เถอะผ้านุ่งห่มดีขนาดไหนก็เถอะอยาแก้โรคภัยไข้เจ็บดีขนาดไหนสั่งมาจากประเทศไหนก็เถอะที่พักพ้าอาศัย ห, หรูหราโออาขนาดไหนก็เถอะสร้างให้ร่างกายนี้อยู่อีกต่อไปหกเ0็ดสิบปีสิบ เ, เดี๋ยวก็เห็นฟันหลุดเดี๋ยวก็เห็นผมขาวเห็นตาฝ้าฟังหงูตึงหนังเหี่ยวหนักหลังคอมผลในสุด ไปที่ไหนไม่ได้นอนอยู่ในเตียง อ, อแล้วก็ให้ออกซิเจนอีกต่างหากผลที่สก็ถึงจุดจบของมันเเลี้ยงร่างกายถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็ถึงจุดนั้นละขนาดจัทา ย, ยาญาติโยมถึงพี่น้องจะรักถึงขนาดไหนรักกันขนาดไหนก็ไปส่งถึงป่าช้าไปส่งถึงเมนเถ้าได้เงินมากขนาดไหนพวกเราหาเงินได้มากขนาดไหน ไปส่งถึงโรงพยาบาลเงินเงินได้ส่งถึงโรงพยาบาลนะ <Contain. S 1> พอได้เงินมากระส่งถึงโรงพยาบาลไปหาหมอหมอก็รักษาถ้าว่าเราไม่ถ้าไม่ไม่มีเงินเข้าโรงพยาบาลไม่ได้นะได้ยุตแต่รักษาไม่ดีแต่เรามีเงินรักษาดีแต่รักษาดีขนาดไหนไปส่งโรงพยาบาลถึงโรงพยาบาล <transforms> พอถึงโรงพยาบาลพอรักษาหนาหายและตายหมอก็บอกหมดความสามารถแล้ว ตายเออหมอก็จะตายเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่จะตายแต่พวกเรานะหมอผู้รักษาก่อนนะชีวิตของหมอก็เหมือนกันนะถึงจุดจบเหมือนกัน อ, อแต่เงินส่งถึงโรงพยาบาล อ, อแต่พี่น้องเนะี่ยส่งถึงเมนพอส่งถึงเมนแล้วก็ไปวางดอกไม้จันทร์เสร็จแล้วเออเอาไปดีนะเน อ, อถ้าว่าเสียงใดก็ตาม ได้ทำต่อกันประม า, าทพลาดพังยังไงก็โหสิให้ด้วยนะแต่ข้าพเจ้าก็ยินดีโหสิให้ท่านเหมือนกันขอให้ท่านไปดีนะพ่อแม่เนอะปู่ย่าตายายเนอะญาติมิตรสหายเนอะที่รักขนาดไหนก็เถอเะพอไปวางดอกไม้จันเสร็จแล้วก็มานั่งอยู่เก้าอี้เนี่ยผลนสูดูขนาะตัวเองอีกไม่นานเขาก็ใสเข้าไปในเมนไฟเผาเออ เ, เ, เมื่อไฟเผาเจออตตะด้อัตติอัตโนนาโถน ตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรศยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากตัวของเราจากนั้นเราก็ไปตามลําพังเลยจะไห น, นในเมื่อออกจากเมื่อเผาร่างกายเลยใจก็ออกจากร่างเมื่อใจออกจากร่างใจวิญญาณมนโนดวงใจออกจากร่างไป น, ะนั่นแหละใจดวงนั้นถ้าว่าใจดวงนั้นทําบุญสร้างบุญสร้างกุศล บุญกุศลจะเป็นเพื่อนสองของใจแต่ว่าใจดวงนั้นทำบาปอากุศลมากบาปอากุศลจะเป็นเพื่อนสองของของใจเพราะนันใจเป็นเป็นมีสองนะสิมีเพื่อนเป็นสองคนนะเราเมื่อตายไปแล้วนะ่ะมีเพื่อนเป็นสองคนถ้าเราทำดีสร้างบุญสร้างกุศลบุญกุศลจะพาไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาไปเลือกเกิดได้เลยจะไปเกิดที่ไหนเพราะอะไรเรามีบุญ บุญพาไปเกิดเมืันคนมีเงินแต่ถ้าว่าคนที่มีบาปไม่คิดไม่ได้สังสมบูรณ์กุศลบาปอักุศลมีดวงใจโดนนั่งกับออกจากลาวนี้นก่อนนะบาปอกุศลก็เข้าเป็นล็อกนะเราจะไปตกนรกหลุมไหนเราจะไปเป็นเปรตหรือจะไปเป็นสัตว์ที่ฉานประเภทไหนเลือกได้อีกเหมือนกันเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ อย่าไปเลือกไปทางต่ํนะเาเถอะมันทุกข์นะเห็นจัดธิริชานเห็นไหมมันทุกข์ขนาดไหนเราได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วควรจะประกอบแต่คุณงามความดีควรจะสังสมบุรณ์กุศลให้คิดดีทดําดีพูดดีในเมื่อเราคิดดีทดําดีพูดดีแล้วจะตกต่ําได้อย่างไรพอเราทําดนะีเราก็ต้องไปสู่ความสุขความเจริญความสุขความเจริญทั้ง เป็นมนุษย์ทั้งเป็นเทวดาอินพรหมไปได้ทั้งนั้นถ้าเราหมดกิเลสเกิดเข้าสู่มรรคผลนิพพาน เ, เป็นขั้นตอนพระโสดาจักตาคาอนาคาอรหันในที่สุด น, ะนี่แหละพวกเราฟังฟงดูนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนะี่ยอย่าพิ่งเชื่อเอาไปกันกรองดูซะก่อนกันกรองไตรตองดูซะก่อนจริงไหมหลวงพ่อมีแต่ชี้แนวชี้แนวทางให้ฟังเนทะ่านั้นเป็นอย่างนี้นะ คิดดูสิถูกต้องไหมเป็นอย่างนี้นะหลวงพอมีแต่ชี้แนวทางอ่าจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะการกลองตรตองตามที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังถ้าเป็นจริงอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังเล่านั้นพวกเราก็นำมาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายว่าจาใจของพวกเราในเมื่อปรปับปรุงกายว่าจาใจของพวกเราแล้วหลวงพ่อไม่ได้มี แบ่งสรรปันส่วนอะไรจากพวกเราเป็นสมบัติของเราเพียวๆเลยเถอะเนี่เอเมื่อเราทําบาปก็บาปก็เป็นของเราเพียวๆเมื่อเราทําบุญบุญก็เป็นของเราเพียว ๆ, ๆอีกเหมือนกันนั่นแหละให้พวกเราสั่งสมบุญกุศลสิ่งที่มันเป็นบาปอย่าไปทำเถอะนะมันทุกข์นะออขอให้พวกเราประกอบคุณงามความดีได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบประธรรมคำสอนของพระพุทธทเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงปู่หลวงตาทั้งหลายทั้งปวงที่เราเป็นลูกหลานเป็นสิทธ์ยาวนิสิตของท่านคนจะทำดีคิดดีทดําดีเท่านั้นนะต่อ น, นี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในะตีน่านะ